แล้วคะ่ะดิฉันเกิดมาเพื่อท่านคนเดียวหลังนี้แล้วท่านพอจะบอกได้หรือยังว่าท่านติดสึกมาอยู่กับดิฉันสงครามในอกเริ่มเข้าขั้นแตกหักฝ่ายโลกเริ่มได้เปลี่ยนฝ่ายทำล่าถอยไปอย่างไม่เป็นขบวนเมื่อไงคะท่านสึกเถินนะคะอาตมา อยาเพิให้อัตมาตอบตอนนี้เลยขอให้อัตมากลับไปคิดก่อนเถอะท่ายัางจะต้องคิดอีกเหรอคะอย่างนี้แล้วท่านจะยังคิดทำไมอีกแต่อัตมาให้ความหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่เธอต้องการจริงเหรอคะท่านแล้วเธอก็จะได้เห็นในไม่ชานี้อัตมาขอกลับก่อนเชิญค่ะนี่าวดีจะรอคอยฟังข่าวดีจากท่าน วลานี้หายใจเป็นดีลาวดีอยากจะลาเพศสมณะไปสู่คารวาดเสด็เร็ ว, เ, รวเห็นแล้วว่าการเป็นคารวาดนั้นดีแน่ชาวโลกจะมีความสุขอยู่ได้ต้องอาศัยบรรยา ก, กามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสำหรับบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาได้เห็นรูปสวย หูได้ยินเสียงไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นหอมลิ้นได้ลิ้มรสอร่อยกายได้ถูกต้องสัมผัสอันสบายคนก็สบายเป็นสุขสาราญใจเหมือนพันพฤกษชาติที่มีน้ำหล่อเลี้ยงบริบูรณ์ย่อมเจริญงอกงามชีวิตของพระภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัยขาดสิ่งเหล่านี้ เป็นชีวิตที่แห้งแล้งเกินไปอีกประการหนึ่งปราชญ์ตั้งแต่โบราณกล่าวไว้ว่าเป็นจการมคุณทั้งห้าย่อมรวมอยู่ในสตรีเท่านั้นไม่มีรูปใดเสมอได้รูปสตรีไม่มีเสียงใดเสมอได้เสียงสตรีไม่มีกลิ่นใดเสมอด้วยกลิ่นสตรีไม่มีรสใดเสมอด้วยรสสตรีไม่มีสัมผัสใด เสมอด้วยสัมผัสสตรียิ่งไปกว่านั้นไม่มีสตรีใดเสมอด้วยลีลาวดีตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจะต้องลาสิกขาไปร่วมชีวิตกับลีลาวดี น, น, นี้เธอกำลังรอคอยอยู่เธอจะตีใจสักเพียไหนเนอเมื่อรู้ว่าการรอคอยอันยาวนานได้ผลผลสมใจแล้วแต่ว่าคิดอีกทีก็เสียดายสมณะเทศไม่เป็นไรนะยังหนุ่มทั้งกายใจยังมีกำลังวังชาที่จะต่อสู้กับโลกเมื่อได้สเสวยโลกีสุขพอสมควรแก่เวลาแล้ว เร็วรอยของความชราเริ่มครอบนั้ น, น, นก็จะออกสู่สมณะอีกครั้งหนังตามที่บรณาณจาร์แนะนำไว้ว่าเมื่อเห็นหน้าหลานคนแรกเมื่อเห็นผมงอกเป็นเส้นแรกจงออกสู่บัพชิตเทีน เทวตาคือว่าอมีอะไรก็พูดไปเถอะอย่าได้อ้าอือกอึอักอยู่เลยข้าจะท่านอาจารย์พูดเจริญคือว่ากระผมเกิดความกระสันอยากลาเพศสมณะออกไปสู่คาวาสวิสัยและผมกราบลาท่านอาจารย์ด้วยอย่างนั้นเหรอท่านอาจารย์คงไม่ขัดข้องเธอไปทุรักับฉันซะประเดี๋ยวก่อน เรื่องราธิกขาเอาไว้พูดกันทีหลังท่านอาจารย์จะให้กระผมไปไหนตามเช่นเมตต์ ะเทตะวันลงสู่ทุ่งนาจากทุ่งนาเข้าสู่หมู่บ้านชาวนาพุยากจนท่านอาจารย์จะพาไปไหนนะไอ้คนสารเลวทวถาดยังที่สุดคนยังเจ้าไม่น่าจะเกิดมาเป็นคนเลยเอ๊ะเสียงใครด่าว่าอยู่ที่ไหนอาจารย์กวนนันไงล่ะอวดตะที่หน้ากระท่อม น, นั่นเห็นไหยอ๋อเห็นแล้วอาจารย์ผู้หญิงกลางคน ที่น่าร้องไห้อยู่ข้างๆคงเป็นลกูกหม้ออาหารที่ตั้งอยู่บนเตาไฟกําลังเดือดเมื่อกี้นางด่าว่าใครกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไปกันเถอะคนสารเร็วจนป่านนี้แล้วยังจะนอนหาอะไรอยู่อีกคาดว่าอาหารจะมีมาเองได้ดไหรือไงขี่เตะสันตังยาวไม่มีใครเหมือนนึกถึงลูกเมียบ้าง กำลังจะอดตายอยู่แล้วโอ้เราผีจอปายคนได้บนไหนด่านอดด่านนี่ไอ้ปาาอย่างนี้มาจัดทัพมาก็ไม่รู้รู้แล้วไปแกจะทอะไรฉันกตกงาสังเ้ี๋ยวนี้ไม่เอาไม่เอาฉันอดไรที่ตบตีกันนั่นเห็นจะเป็นสามีพันยากันเกแล้วเว้ยนาสังเวชสามีพันยาคู่นี้ องตกลงร่วมชีวิตกันได้ความสุขแต่วม่าเป็นอย่างนี้แนละ้วมีความสุขได้อย่างไรแต่ถ้าข้าพเจ้ามีพัญญาข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนี้เด็ดขาดไปกันเถอะเรวัตับ ท่านอาจารย์จะพาข้าระเจ้าไปไหนก็มาหยุดอยู่ที่นี่ไงล่ะเรวตัดนี่หน้าบ้านใครกันหลังใหญ่เป็นส ง, งากว่าทุกหลังในหมู่บ้านนี่แหละบ้านของพรามซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนี้พรามกับเช่นก็คุ้นเคยกันดีได้ไหนก็มาถึงที่นี่แล้วแวเข้าไปเยี่ยมสัหน่อยเถอะนั่นท่านหรือคะ นี่มนค่ะอาตมาผ่านมาเทา่านี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมสุขสบายดีสินะก็ไม่สุขสบายหรอกค่ะนี่พรามก็ไม่อยู่โอ๊ย ว, วันวันไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกค่ะอ้าวไปไหนล่ะถึงไม่ได้อยู่บ้านเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนี่ค่ะก็ต้องออกไปดูแลลูกบ้านไหนจะต้องคอยเก็บสวยสาอากอนต้องไปดูการทําไร่ไถนา ไปติดต่อกับเจ้านายจิบาถะละค่ะจนกระทั่งไม่มีเวลาอยู่บ้านดิฉันอยู่บ้านก็ยุ่งทั้งวันเหมือนกันมีงานต้องทําจนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยละค่ะนา่งทำท่าเหมือนกับถูกเชือกสามสิบเส้นรัดรึองอยู่รอบตัวจนกระเดกตัวไม่ได้อย่างนี้แล้วจะมีความสุขได้ยังไงเอออาตมาไม่รบกวนเวลาละไปก่อนแล้วนะค่ะท่าน จะไปถึงไหนท่านอาจารย์ตามมาเรื่อยๆก็แล้วกันถึงไหนเดี๋ยวก็รู้เองท่านอาจารย์น่าจะบอกให้รู้ก่อนไม่ต้องรอกสิ่งอยากรู้นะ่ะมันก็จะเกิดให้รู้ให้เห็นเองเอ๊ะก็เมันเสียงผู้หญิงร้องไห้ท่านอาจารย์ได้ยินไหมได้ยินแล้วร้องไห้มาจากบ้านหลังนั้นนาร้องไห้ทสสําไมโศกเศร้าเสียใจอะไรนักหนา อยากรู้ก็เข้าไปถามรู้กันเถ อ, อะตามเช่นมาเรวดา ย็นเสียงร้องไห้ก็เลยแวะเข้ามาดูมีเรื่องอะไรจนถึงกับต้องเศร้าโศกเสียใจขนาดนี้สามีในฉันเขาเขาหนีไปแล้วค่ะเขาทิ้งเธอไปอ่ะค่ะเขาทิ้งพี่ฉันไปโขาไม่น่าเลยอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลย เขาไปได้เขาก็ต้องกลับมาได้รักษาเรื่อรักษาตัวเอาไว้ดีกว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องกลับมาหาเขาเขาไม่กลับมาแล้วค่ะเขาจะไม่กลับมาแ น, น่นเธอรู้ได้อย่างไงว่าเขาจะไม่กลับป่ารู้สิคะดิฉันรู้ เขาเขาเขาไปตัดเฟรนอยู่ในป่าเออเขาเขาก็ถูกงูกัดตายทนายการพาเดินเลยหมู่บ้านไปอีก คราวนี้เดินตามท่านไปเงียบเงีย د. ไม่ปรีปรกาศพูดอะไรเหตุการณ์ที่ผ่านมาทาให้เกิดความเดื่อนหน่ายโลุกขึ้นมาบ้างเลยวะตถะเธอรู้สึกยังไงบ้างเรื่องอะไรท่านอาจารย์ก็สิ่งที่เธอเห็นมาน่ะสินี่และชีวิตของคารวัตผู้ครองเรือนย่อมเป็นอย่างที่เธอเห็นมาแล้วบ้านแรก เธอเห็นผัวเมียทะเลาะกันทุบต่อยกันเขาทั้งสองนันเริ่มรักกันทีแรกหรือแต่งงานกันทีแรกก็รักกันดีมีความสุขเพราะอำนาจความรักครอบงมจิตใจทําให้เขาเห็นด้านดีของกันและกันความเกรงใจกันทำให้เขารู้จักเกียมตัวเก็บความไม่ดีของตนไว เอาแต่ด้านดีออกมาอวดกันแต่ไม่นานนักเมื่อความรักจยืดจางลงความเกรงใจก็เริ่มน้อยลงต่างฝ่ายต่างสแสดงด้านเสียของตนออกมาเมื่อมองกันทีไรก็พบแต่ด้านไม่ดีของกันและกันในที่สุดโกาสตร์ความไม่ดีเข้าใส่กัน เกิดการทะเละวิวาททุบต่อยกันความสุขก็อันตรถาถัดฉะนั้นความรักที่อาศัยกามจึงเป็นยาพิษเคลือบน้งตาลลิ้มรสทีแรกจะรู้สึกหวานแต่นานก็จะถูกยาพิษสุขอาศัยกามเป็นความสุขนิดหน่อยแต่มีทุกข์มาก เป็นความสุขชนิดต้นหวานปลายขมจริงของท่านอาจารย์เมื่อเราเข้าไปเยี่ยมนายบ้านนางผู้เป็นพัญญาได้เล่าความยุ่งยากต่างๆให้เราฟังชีวิตของขร า, าวา่าเต็มไปด้วยภาระอันหนักต้องทำงานหาทรัพย์มาเลี้ยงตนเลี้ยงเมือเลี้ยงลูกเลี้ยงเพื่อน ต้องมีบ้านเรือนมีไร้หนามีคนรักที่ต้องเอาใจใส่แกไปไหนมาไหนก็เป็นห่วงกังวลชีวิตคารวาดเปรียบเหมือนชายที่แบกภาระอันหนักไว้บนบ่าไม่สบายไม่มีเสรีภาพชีวิตของสมณะเป็นชีวิตเบาอิสระ สบายเหมือนบุคคลที่ตปรงภาระลงแล้วยอมเดินไปได้อย่างสบายแล้ว่นในบ้านที่เราเห็นหญิงกำลังร้องหายคำควรเพราะผัวตายนั่นสแสดงให้เห็นทุกใหญ่ของชาวโลกคนมีสิ่งใดก็ยอมรักมาหลงยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นสูญไปก็เกิดทุกข์ ยิ่งรักมากขววงมากเท่าใดก็ทุกเท่านั้นรักน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่ทุกท่านอาจารย์เรามาถึงป่าแล้ว ใหญ่ต้นไม้นานาชนิดขึ้นหนาแน่นไม่ใช่เพียงแต่แค่นั้นอากาศค่อนข้างมืดและเยือกเย็นซะด้วยอาจารย์พามาที่นี่ทําไมที่นี่เป็นยังไงเรวตันตนาลัวมา <c oughs> นี่ยังไม่น่ากลัวหรอกแต่เดี๋ยวจะมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านี้อะไรเหรอาอาจารย์ประเดี๋ยวกลวจะเห็นเอง ท่านอาจารย์น่าจะบอกก่อนไม่ได้สายเสียแล้วไม่พรอมว่าอะไรก็เพราะถึงที่แล้วนะสิท่านอาจารย์นี่ที่ไหนเนี่ยป่าช้าผีดิบป่าช้าผีดิบถูกแล้วดูข้างหน้านู้นสิฮะต่อ อยู่บนพื้นดินกำลังขึ้นอืดจนตัวกลมไม่แต่เพียงเท่านั้นยังส่งกลิ่นเหม็นคุ้งตลบอีกด้วยข้าพเจ้าจะาเจียนอยู่ไหนอาจารย์ยเฮียพอะเจียนอ่ะตามฉันมานะพระอาจารย์จะพาข้าพเจ้าไปไหนอีกเออตามมาก็แล้วกันอีกสักครู่จะได้เห็นของดีของดีอะไรเหรออาจารย์เห็นแล้วก็รู้เองนั่นไงฮะไหน อาจารย์ให้ข้าพเจ้าดูอะไรที่ไหนที่นอนคว่ำหน้าอยู่ด้านน่ะเธอไม่เห็นหรอกอะในวัะศก<บ>ถูกแล้วดูให้ดีนะศพเน่าเฟะเนื้อหนังบางแห่งดูมันจะถูกสัตว์กัดกินวาแหวนลําไส้ถูกดึงมาจากท้องเป็นทางยาวฝูงหนอนกั บ, บังเจาะชัยกินที่ข้างหลังกระดูกซี่โครงโผลออกมา ร้อนตัวใหญ่คลานโยเยนี่คือจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของทุกคนชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันหนึ่งที่ผ่านไปก็คือก้าวหนึ่งที่ตัวเราใกล้ความตายเข้าไปเมื่อความตายมาถึงกายนี้ก็จะมีอันเป็นไปดังศพที่เธอเห็นอยู่นี่ไม่ดีความงาม ไม่มีความน่ารักไม่น่าชมมีแต่ศพปรกโสมมอมอันน่าขยะขยงศพที่นอนตายอยู่นั่นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับเราเราเมื่อตายแล้ว <chi> ก็จะตกเป็นอย่างนี้พายในกำลัดร้อยปีเป็นอย่างนานจิตใจหนักซึ้งไปด้วยความสังเวชเวบือ่อนายคลายความยินดี นมองเห็นตัวเองและอาจารย์กลายเป็นศพไปด้วยมแมลงวันผงใหญ่บินเกาะตามตัวมันคงคิดว่าเป็นศพเหมือนกันอ่าเอ็นเจ้าพอแค่นี้ก่อนนะกลับกะเทรวัต การพากลับสู่พระเชตาวนาราเวลาขมุขมัวมากแล้วภาพซาสศกจนติดตาติดใจอย่างขัดเจนไม่สามารถเจริญได้แม้จะนอนอยู่ในกุฏิก็รู้สึกคล้ายนอนอยู่ในป่าชา้าผีดิบเราแทบจะดื่มน้ําไม่ได้มันสะอิดสะเอียนดุดน้ําเหลืองซากศก วันรุ่นขึ้นขณะเดินบินทบาทเห็นทุกคนที่เดินผ่านมาเป็นซากศพไปหมดวันนั้นฉันข้าวได้นิดหน่อยเพรารู้สึกคล้ายกับกําลังฉันซากศพท่นอาจารย์ได้เปลี่ยนแนวความคิดแล้วอย่างสิ้นเชิงเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่ควรยินดีซะแล้วความรักด้วยอํานาจราคะที่มีตอนดีลาวดีก็ดีความคิดที่จะลาสมณเพศไปอยู่กับเธอก็ดี ถูกอำนาจของป่าช้าผีดิบขจัดไปอย่างสิ้นเชิงป่าช้าผีดิบทําให้เห็นลีลาวดีเป็นโครงกระดูกที่หุ้มไว้ได้เรือนัน่นที่จะต้องกลายเป็นซากศพในป่าชาฝ่ายธรรมะซึ่งถูกฝ่ายโลกปราบไปเมื่อวานนี้จะกลับกลายมาเป็นผู้ผิดคิดซะแล้วอย่างไม่คิดฝันลีลาวดีจะต้องผิดหวังอีกแล้วล่ะเนี่ย ท่านอาจารย์ให้ข้าพเจ้ามาพบไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรฉันมีเรื่องอยากจะบอกกับเธออย่างหนึ่งในฤาษีะนะข้าพเจ้าพร้อมรับฟังอยู่แล้วท่านอาจารย์สิ่งที่ฉันจะบอกกับเธอก็คือว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วเอ๊ะทาไมลนะ่ะท่านอาจารย์ทําไมข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าเธออยู่เธอจะต้องถูกรบกวนจากสตรีเพศ ทางที่ดีเธอควรจะไปซะข้าพเจ้าไม่สนแล้วเรื่องสตรีเพศข้าพเจ้าขอห่างไกล <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งพูดดีไป<ม>เรวตะจิตใจของผู้ยังเป็นปูทุชนน่ะย่อมวันไว้ได้ง่ายตามสิ่งแวดลอ้อมเวลานี้ก็กำลังเบื่อโลกด้วยอำนาจป่าชาฤฤฤฤ้าผีดิบแต่ต่อไปเธออาจจะกระสันขึ้นมาอีก โดยอำนาจสิ่งยั่วยนุนแล้วอาจารย์จะข้าพเจ้าทำยังไงทางที่ดีแล้วเธอจงหนีไปซะให้ห่างไกลจากศัตรูของพมอาจารย์หนีอย่างนั้นเหละท่านอาจารย์ควรจะเรียกอย่างนั้นหนีไปซะหนีไปบำเพ็ญเพียรให้หนักมือขึ้นจิตใจมั่นคงแล้วจึงกลับมาเธอทำได้ไหมเหรอเลวตะข้าพเจ้าทำได้ท่านอาจารย์ ทำได้ก็รีไปซะข้าพเจ้าจะไปเดี๋ยวนี้กราบลาท่านอาจารย์ขอให้ทำสำเร็จนะ ออกจากพระเชตวานารามมายังบุพ ภ, ภารามตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาจิราวดีทางทิศตะวันออกของกรุงสาวัตถีบุค ภ, ภารามนี้ซึ่งนางวิสาขาบาสิกาเป็นผู้สร้างร่มรื่นเรายึดเอากุฏิเล็กๆหรือแม่น้ำอาจิราวดีเป็นที่อยู่หน้ากุฏิมีต้นสาละใหญ่ใบหนา ดอกสีขาวเป็นพวงยาวห้อยลงมาทรงกลิ่นหอมเย็นไม่รอช้ารีบกระทำความเพียรชำระจิตใจให้บริสุทธิสะอาดก่อนที่ร่างไม่คงทนจะแตกสลายตื่นแต่เช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จก็มานั่งเข้าที่ทำสมาธิ เสงการอออกหากินจึงออกจากที่ทําสมาธิปัดกวาดเท็ดกุฏิทําความสะอาดที่อยู่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่หมู่บ้านบินฑบาตได้อาหารพอฉันอิ่มก็กลับวัดฉันเสร็จล้างบาทปัดกวาดที่ฉันเรียบร้อยแล้วจึงท่องบนสาธยายพระธรรมวินัยที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูอาจารย์ จนกระทั่งอาทิตย์บ่ายคลอยก็ลงมานั่งใต้ร่มสารละพักผ่อนขณะที่พักผ่อนก็หยิบเอาธรรมะข้อหนึ่งมาคิดวิจารณ์มองดูเราลอกในแม่น้ำอาจิรวดีที่วิ่งเข้ากระทบฝั่งแล้วหายไปชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกับเราลอกคลื่นถูกลมคือความแก่พัดเข้าสู่ฝั่งคือความตายแล้วก็หายไป วันคืนผ่านไปไม่หยุดยัง้งในที่สุดฤดูฝนก็มาถึงทุกๆวันเวลาเย็นจะมีเมฆกลุ่มใหญ่ปรากฏขึ้นทางขอบฟ้าเป็นกลุ่มก้อนสลับซับซ้อนยาวเหยียดคล้ายทิวเขาเมาืองวันสายฟ้าแลบล้นแล่นเพนประโจนจากเมฆก้อนนั้นสู่ก้อนนี้จากก้อนนี้สู่ก้อนโน้เสียงฟ้าคำรามเป็นระยะ เมฆสีดำสนิทค่อยๆขยายตัวลมพายุโหมพัดหนักขึ้นฝนก็ะหน่ำลงมาอย่างหนักเหมือนฟ้าร่วงหนาจนตัวสัน่นแต่นั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าขณะนี้นั่งอยู่ในกุฏิน้อยคนเดียวจิตใจหดผูและเศร้าหมองหวนคิดถึงอดีต ดีาวดีอาผู้นี้ลืมไปนานแล้วแล้วนี่ทำไมจันคิดขึ้นมาอีกไม่สบายใจเอาซะเลยสงครามในอกที่สงบไปนานแล้วทำท่าจะพุ่ปร่นขึ้นมาไม่ได้ออกอเอาผ้าป่าช้าผีดิบเข้ามาปราบต้องปราบให้ได้ บุพพารามตกอยู่ในความเงียบสงบเหมือนวัดร้างไม่มีผิดอากาศภายหลังฝนตกสดชื่นและเย็นสบายดีพระจันทร์ข้างแรมโผล่พ้นแนวเมฆขึ้นมาแล้วทอแสงสดใสนวลเย็นไปทั่วบริเวณลานวัดที่เตียนโลกสะอาดตากลายเป็นรอยด่างเพราะเงาไม้ไปซะแล้วเงียบเหงา เปล่าเปลี่ยวจะต้องปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามสภาพของมันจใจเลื่อนลอยไปอย่างพระนครสาวัถีสู่ปราสาทของลีลาวดี